ที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยให้กอบคนอื่นไปยาวนานอันนั้นคือกําไรของชีวิตล้วนๆก็รู้อยู่ว่าไอ้สัมภัสสัต์ทั้งหลายตกเป็นธาตุของราคาโทสะมหานไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่โกรธอะเราไม่มีค่าอะไรแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอาหาันทั้งหลายที่ท่านลดราคาโทสะมหะได้ทำไมชีวิตทั้งท่านเป็นอมาตะชื่อเสียงและคําสอนของท่านอยู่ได้ตลอดเป็นอมาตานะละ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 ต้องทําความเข้ใจใช้ความเพียรในการสังเกตแต่ถ้าเราจะไปเสพสุกกับความง่วงเล็กๆน้อยๆไปเสพสุกกับความเพลอเล็กๆน้อยๆไปสุเสพสุกกับความอร่อยอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นมันจะไม่เป็นการลงทุนคุณเสียสละอรดอรเด็ดอร่อยทั้งหลายที่เกิดจากรูปเสียงกีรดเนี่ยอันนั้นคือการลงทุนนะการลงทุนอาหารอร่อยคุณก็ตัดมันเสบ้างคุณจะอร่อยทุกมื้อเกินไปก็ตัดสละมันบ้างนะ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 ขอให้ตั้งใจทําดูจริงๆแล้วก็ท่าไหนที่ทําไม่ได้มากก็ทําน้อยๆหน่อยท่าไหนที่ทำได้มากก็ทํานั้นเยอะๆทําท่านั้นเยอะขึ้นเพื่อจะไปชดเชยท่าที่เราทําไม่ถนัดอันนี้แล้วก็มีเทคนิ ค, เ, ค, นคเนียสมมุติเราท่าหมุนตัวเนี่ยเราทําไม่ได้มากเราก็ไปท่าที่สองมาชดเชยท่าที่สองคือทาอ่าเป็นไงโค้งลําตัวขึ้นลงใช่ไหมท่าที่สามก็คือการไอ้การไอ้หงายหน้า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 พระห่มที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาคือทำช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะที่นี่เราไม่ให้รีบมาเวลาไหนก็เวลานั้นแต่ขอว่าเป็นช่วงรือไม่ช่วงได้ทาไม่ได้ตื่นและตื่นสายมาไม่ทันไม่ใช่อย่างนะั้นะแต่ช้าเพราะกําลังเรียบเรียงสติสัมัยญะในแต่ละขณะคือไม่พรวดพราดไม่ผุนผันแต่ทําไปตามลาดับ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 เป็นที่มาของความหลงนะฮะแต่เสน่ตามธรรมชาติเป็นที่มาของความดูแลตัวเองให้ให้มีคุณค่าขึ้นในแง่ของมีสติสัมยเพิ่มขึ้นเราไม่ได้หลงไหลแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษาชีวิตนี้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ชั้นสูงอะ่ะ <c oughs> ก็คือพยายามที่จะเอาสติสัมยะมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราใช้ทุก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 เราไม่ไปทําต่อมันก็เข้ากลุ่มเดิมกันเหมือนเดียว น, นะอย่างยังหลงกันอยู่แต่ถ้ากลับไปบ้านแ ล, ล้วคุณไปทําต่อในที่สุดในครอบครัวเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นผู้ดูมากกว่าที่จะเป็นผู้แสดงแต่ถ้าเป็นผู้แสดงหรือไม่ความว่าเราเข้าร่วมวงในสถ า, านการณ์ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ปัญหาเกิดแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราไม่ได้เป็นผู้เข้าไปร่วมวงด้วยแต่เราเป็นผู้ดูอยู่เรานั่นแหละจะเป็นผู้แก้ปัญหาได้ในที่สุด